รธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอาณาละโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องไตรลักษ บัดนี้จะได้แสดงสัญญาสาประการเพื่ออบรมกรรมฐานให้นักปฏิบัติภาวนาทั้งหลายเกิดความสลดสังเวชในสังขารควรเจริญสัญญา3าประการคืออา น, นิจจสัญญาปัญญากําหนดรู้สังขารแปรปวนอยู่ประการหนึ่งทุกขสัญญา ปัญญากำหนดรู้สังขารอันเป็นทุกข์ประจําประการหนึ่งอนัตตสัญญาปัญญากำหนดรู้ธรรมทั้งปวงอันเป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามอํานาจปรารถนาประการหนึ่งควรเจริญสัญญากำหนดรู้สังขารโดยลักษณะเครื่องหมายสาประการนี้ ควรที่สาธุชนพุทธบริษัทจะต้องบำเพ็ญให้เกิดมีในตนได้ชื่อว่าได้เจริญวิปัสสนาปัญญาไมยกุลและควรคำหนึ่งถึงตนอันตกอยู่ในอำนาจชราพยาธิมรณนะให้เป็นอารมณ์บ่มจิตใจให้ก่อเกิดความสลดสังเวชสลดจิตพยายามละทุตจลิต บำเพ็ญส่วนกุศลรีบสแสวงหาผลประโยชน์อันจะเป็นที่พึ่งของตนโดยเร็วก่อนชรลาพญาทิมรณะนะยังไม่มาครอบงำย่ำยีเพราะเหตุว่าวันคืนทั้งหลายล่วงไปไม่แต่วันคืนเท่านั้นอายุของสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกก็ค่อยๆหมดสิ้นไป จวนใกล้ความตายเข้ามาทุกวันเวลาทุกนาฬิกาทุกนาทีอายุของสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในวิสัยของมรณะนี้มีแต่จะหมดไปเปืองไปถ่ายเดียวไม่กลับมาตั้งอยู่ในปฐมวัยเป็นทารกทาริกาได้อีกเลยเหมือนห้วยหนองคลองบึงซึ่งมีน้ำแต่น้อย เมื่อถึงฤดูแรงต้องแสงอาทิตย์ก็มีแต่จะเหือดแห้งไปถ่ายเดียวฉะนั้นอายุของมนุษย์นี้น้อยนักหนาไม่พอเพียงแก่ความต้องการคิดประกอบการงานไม่ทันจะสำเร็จได้ทุกอย่างก็จะถึงมรณนะวางอารมณ์เหล่านั้นไปผู้มีปัญญา ควรจะต้องตัดความนิยมในชีวิตนั้นเสียอย่าสำคัญว่ามากแล้วมัวเมาเล่นเล่อรุ่มหลงระเริงใจควรแต่จะรีบเร่งขนขวายบําเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญกุศลสุจริตครบไตทวารไว้เท่านั้นให้เร็วทำให้รู้สึกประการหนึ่งว่าบุคคลถูกเพลิงไหม้ศีรษะ รีบร้อนดับเพลิงให้สงบฉะนั้นเพราะมรณะคือความแตกแยกแห่งชีวิตอินทรีย์ที่จะไม่ครอบงำย่ำยีผู้หนึ่งผู้ใดนั้นไม่มีเหมือนภาชนะเครื่องใช้ต่างๆมีภาชนะดินเป็นต้นซึ่งนายช่างประดิษฐ์สร้างขึ้นทำไว้แล้วจะเล็กใหญ่ดีชั่วหนาะ บางประการใดไม่เลือกว่าชนิดใดขนาดใดตามปกติต้องแตกสลายไปฉันใดถึงชีวิตร่างกายของมนุษย์ทั้งหลายนี้ก็มีความแตกทำลายตามไปเป็นที่สุดฉันนั้นเมื่อใดนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาใช้ปัญญาให้รู้ว่า ร่างกายของมนุษย์ทั้งหลายมีเราเป็นต้นล้วนต้องถึงความพินาศแตกดับเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ควรทำความเพียรปราบปรามกาจัดกิเลสให้เหือดหายให้บุญกุศลเจริญขึ้นในตนภายในวันนี้แหละให้จงได้เพราะใครๆคนไหนเล่าจะอาจรู้ว่า ความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าเพราะมรุตยูคือความตายที่มีเสนาใหญ่คือขุนชลาขุนพยาทิพยามรณะและปะกินกะทุกทั้งหลายภัยอันเป็นที่ขยาดหวาดกลัวของมนุษย์นี้เหลือวิสัยและความสามารถ ที่ใครๆแม้นมีอำนาจยิ่งใหญ่จะต้านทานสู้รบผักใสด้วยอุบายอันหนึ่งอันใดได้เลยท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนภูเขาใหญ่สูงจดขอบฟ้ากิ่งมาจากทิศทั้งสี่แล้วบทขยี้สัตว์ทั้งหลายให้เป็นจุนวิจุนมิว่างเว้นพวกไหนไว้ให้เหลือหลอเลย เมื่อมรณะซึ่งเป็นมหาทุกข์อันใหญ่มาถึงแล้วไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งแม้นเคยเป็นที่รักที่พึ่งจะสามารถสกัดกั้นแก้ไขหรือช่วยบำบัดปัดเป่าให้มรณะทุกข์ถอยลดน้อยเบาบางลงไปได้เลยยกเว้นแต่บุญกุศลที่ตนได้อบรมสั่งสมไว้ด้วยกายวาจาใจ จนคุ้นแก่จิตเท่านั้นแหละจะทำความสุขความสงบระงับให้ในเวลาจวนสิ้นชีวิตทำลายขันดังพาสิทประพันธ์บทว่าบุญยังสุขขังชีวิตสังคยมหิบุญกุศลที่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สร้างสมไว้ให้บริบูรณ์แล้ว ย่อมนำความสุขมาให้เมื่อสิ้นชีวิตดังนี้ด้วยเหตุนี้เมื่อสาธุชนนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั้งหลายมาพิจารณาในไตรลักษณ์จนแจ้งประจักษ์แล้วควรที่จะเกิดความสังเวชสลดจิตคิดเห็นว่าชราพยาธิมรณะครอบงำเข้ามาอยู่ชนี้แล้ว ิ อ, อื่นๆ น, นอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้ทำเลยควรที่แต่จะกระทาการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เต็มรอบก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขความเจริญวงเล็บเปิด หลวงปู่ขาวชอบแสดงโอวาททำบทนี้เสมอเสมอสมัยท่านยังแสดงทำได้ท่านว่าทำให้เกิดปัญญาหูตาสว่างดีวงเล็บปิด